ตอนนี้หลวงตะกล ก, ก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลไชโพรมันนะเดี๋ยวก็ต้องหาเอาสาสมัครไปนอนเต้าคืนนี้เมื่อเช้าหลวงตะกลมก็บอกว่าให้มาหาอาจารย์ทรงศิลป์ทีหนึ่งเดี๋ยวให้พาไปโรงพยาบาลทีหนึงเราไปบอกพระสั่งว่าอาจารย์ทรงศิลป์นัดไว้ว่าเดี๋ยวจะมารับ ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรลๆนะจะมารับไปโรงพยาบาลปราณนั้นก็เลยพาไปดูกันกับหลวงพ่อขมขีน่นหลวงพ่อท่านก็ชวนให้หลวงตะกลมลุกขึ้นแล้วก็แปรงแขนแล้วก็ยกแข้งยกขาชวนกันหลตะกลมยกก็บอกโอ้ยเจเจ็บเจ็เจ็บหลวงพ่อบอกนั่น ๆ, ๆกำลังจะหายแล้วกําลังจะหายแล้วมันเจ็บนะมันถึงจะหายถ้ามันไม่เจ็บเดี๋ยวมันก็ไม่หาย มันเจ็บแสดงว่ามันช่วยตัวมันเองอยู่แล้วก็พานั่งรถกอล์ฟไปหลอบบัดพอตอนใช้สายก็ต้องบอกให้เยมบอกเอารถรับไปส่งโรงพยาบาลทีนะึ่งยยมมีรถกะพากันไปก็เลือกรถ ด, ดีๆคนดีๆเก่งๆไปให้แล้ไอโยมผู้ชายไปนอนอุปถาคอยู่ที่โรงพยาบาลเจภูมิหมอก็ตรวจแล้วก็จัดการทำอีกทีของเขา แล้วให้รถกลับมาส่งที่วัดปรากฏว่าระหว่างทางก็บอกปวดท้องอีกก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนพอส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนเช็คแล้วเออให้กลับมานอนที่โรงพยาบาลชัยภูมิอีกครั้งเลยว่าเดี๋ยวต้องหาอาสาสมัครไปนอนเฝ้ากันคืนนี้การดูแลพระป่วยก็เหมือนกับดูแลพุทเจ้า ม, มีอันนี้สอแบบนั้นจริงๆใจที่ถนัดเรื่องการดูแลพระอาภาต เดี๋ยวไปดูกันคราวนี้เมื่อวานไดสไปงานศพศพหนึ่งกับหลวงพ่ออมเขียนก็เห็นการแสดงออกของหลวงพ่ออมเขียนที่มีต่อผู้วายชนคือเราก็เห็นว่า ม, มันเป็นความงดงามแล้วก็สวยงามมาก ก็ขับรถไปที่วัดภูเขาทองเห็นหลวงพ่อกำลังเขียนบันทึกอยู่เพื่อจะให้เจ้าของงานศพหรือ ว, ว่าเครือญาติครอบครัวนะได้รับรู้ความรู้สึกของพ่อจำเขียนที่ผู้ัวชนเคยให้ความเคารพมีความผูกพันกันลึกซึ้งขณะใกล้ตายหลวงพ่อก็ไปดูแลเรียกว่า end of life หรือ ว, ว่าคนไข้ระยะสุดท้ายก่อนใจจะขาด หลวงพ่อท่านก็ไปเกี่ยวข้องพระพธศาสนาที่นนเกี่ยวข้องการเกิดการแก่การเจ็บการตายหรือว่าวิถีชีวิตว่าธรรมเพนีเป็นอรยิยธรรมมันเกี่ยวข้องตลอดนั่นอ่ะทีนี้เราได้เห็นระหว่างที่หลวงพ่อเกี่ยวข้องกับผู้ตายนะ่ะมันทราบซึ่งมันมีความชื่นอบชื่นใจอย่างนี้อย่างเช่นว่าการแสดงออกของหลวงพ่อนะ่ะใช้สมุดฉีก3มชิ้น เป็นสมุดฉีกมีเส้นบรรทัดหลวงพ่อเขก็เขียนแต่เราก็ได้ทวนมันมีการตกห่นมัางเพราะว่าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ค่อยชำนาญการเขียนภาษาไทยสระไอสระ อ, ระอะ่หรือว่าไม่เอกไม่โทอะไรแบบนี้ครานี้ระหว่างที่ปรับแต่งให้เขาลองเข้ารอยแล้วก็ให้มาชีวิอ่านในงานศพมาบอกเออมันเป็นคําพูดที่จากจิตสู่จิตนะในสิ่งที่พูดเป็นสัจจคความจริงไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดวพูดให้ดูดีไม่ใช่ เดี๋ยวเราลองฟังดูนะอยากอยาอ่านบันทึกเก็บเอาไว้อาจเก็บเอาไว้ไนี่ยคือลองรอยอาการแสดงออกทางกายวาจาใจของหลวงพอ่อเป็นคําเขียนสงกับชื่อดียวเป็นหลวงพ่อคําเขียนนะเนี่ยเป็นคําไว้อะไรให้กับคุณธนรักษ์พันุประสิทธิ์สิ่งหนึ่งมาเขียนก็คือพูดไม่ออกไม่มีเสียงจึงเขียนเป็นตัวหนังสือ ออกมาจากในจิตใจแทนเป็นคำพูดรู้จักกับคุณอูด๊ดก็รู้จักกันทางจิตใจที่คนอู๊ดแสดงออกทางกายวาจาใจก็ตรงกันกันกบเราไม่ใช่รู้จักทางสายญาติตกูลรู้จักกับคนชื่ออู๊ดนี้ในหมู่มิตรที่มีหัวใจเดียวกันชื่ออื่นไม่ค่อยคุ้นเคย อูดประตูไม้ชื่อนี้รู้จักกันเป็นส่วนมากคนชัยภูมิชื่ออูดคนนี้บัดนี้คนชื่ออูดประตูไม้คนนี้ได้จากพวกเราไปแล้วคงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอูดยังอยู่ในหัวใจของเราไม่มีวันจากกันไปไหนเราจะเป็นแขนเป็นขาแทนคุณอูด ไปไม่รู้จักจบจักสิ้นได้พูดกับคุณอูตก่อนจะหมดลมหายใจสามวันได้กอดคอคุณอูตกพูดว่าคุณอูตเป็นคนดีมีความดีกรรมดีเป็นที่เพึ่งอาศัยคุณอูตกไม่จนความดีความดีของคุณอูตกยังอยู่ในแผ่นดินยังอยู่ในโลกนี้คนในโลกนี้ยังอาศัยความดีของคุณอูตก คนอยู่ในโรคนี้มีความเห็นด้วยกับคุณอูด๊ดพากันปฏิบัติตามขอให้คุณอู๊ดสบายจิตสบายใจหลับสบายเถิดคุณอูด๊ดหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่และอีกหลายชีวิตยังอยู่จะไม่ให้การงานของคุณอู๊ดจบลงจะเป็นสติปัญญาแทนคุณอูดตลอดไปคุณอู๊ดได้แสดงใบหน้าสายตามองเราอย่างเข้าใจ มีรอยยิ้มให้เห็นไร้ายกับมีความมั่นใจเราก็วางมือออกจากคอคุณอู๊ดค่อยๆวางลงคุณอู๊ดก็รับสบายหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนอท่านมาเห็นว่าภาษามันมีความงดงามมากสอดคอล้องและเป็นความจริงมันไม่ใช่เป็นบทกวีแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างภาพสร้างฝันมันเป็นความผูกพันและเป็นความเกี่ยวข้อง ตรงไปตรงมา2องคนสองค น, งคนซึ่งม่ไดเห็นว่าประโยคเหล่านี้แม่ชีวิ่านไปนะสายตาของอาตมาที่เห็นคนที่มาร่วมไว้อาลัยชาพนั ก, กิจน้ำตาไหลกันเป็นแถวเะไรไดพราะภรรยากับลูกลร้องปล่อยโฮมันก็แทกลงไปในจิตในใจนะความดียังฝังอยู่อั น, นี่พฤติกรรมของกายวาจาใจซึ่ง เราก็ได้เห็นพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์เราแสดงออกเกิดจากคุณธรรมต่างๆที่มีในตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของการเสแสร้งแกล้งทำมันเป็นเรื่องของตรงไปตรงมาพฤติกรรมเหล่านี้เราก็จึงเนี่ยแหละเอาแบบเอาอย่างกันในเรื่องของการฝึกอัปิบัติตนความรู้สึกตัวหรือสภาวะผู้ดูเข้าไปจะทําให้เราคล้ายๆกับว่าใช้ชีวิตในโลกนี้เห็นโลกตามความเป็นจริงว่าเกี่ยวข้องถูกต้อง อย่างการตายน่นะมันก็มีได้หลายศาสนาะเหตุการตายใด้รื่เพราะการตายเนี่ยมันก็มีทั้งตายจริงตายหลอกตายจริงเผาจริงจริงตายหลอกเผาหลอกหลอกมันมีอยู่ตายหลอกเผาหลอกหลอกเช่นเราก็เห็นในหนังในละครการแสดงต่างๆตายหลอกเผาหลอกหลอกกันมันไม่ได้มีการตายจริ ง, รงๆเลยนั้นเป็นการสร้างภาพขึ้นะเป็นมายานะ โดนหนังดละครเป็นมายาเรื่องที่ก็เล่นกันเด็กๆเรา ก, ก็เล่นกันเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายโจรถูกยิงเงี้ยนะโอ้ยตายละแล้วลเดี๋ยวปืนมากินข้าวกินปลากินน้ําเป็นอย่างนั้นตายหลอกตายจริงๆด้วยนะอย่างเช่นคุณอู๊ดน่ยตายจริงๆเผาไปแล้วเหลือแต่ชื่อแล้วก็ความดีความงานต่อไปแล้วเดี๋ยวไทยสุดแล้วก็จะเป็นอย่างนั้น แตก่อนที่เราจะตายจริงๆเนี่ยเราส่วนใหญ่ตายทั้งเป็นกันตายทั้งเป็นก็คือร้อนอกร้อนใจบางทีลูกก็ทําให้ทุกข์ใจบางทีเพื่อนก็ทําให้ทุกข์ใจบางทีก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันมากระทบในโลกใบนี้มันมีอารมณ์ต่างๆมากมายที่มากระทบเราก็ทุกข์ใจร้อนอกร้อนใจบางทีถึงขั้นตายทั้งเป็นเลย ตองให้มีชีวิตอยู่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไยทั้งเป็นติดยาเสพติดพวกนี้ถึงเวลาอำนาจของแอลกอฮอล์บ้างหรือว่ามอร์ฟีนฟินกัญชาพวกนี้ิโคตินมาเรียกร้องร้องขอเรือกคาฟีอินอย่างนี้พอหิวแล้วก็มือไม้สั่นเกิอดอาการลงแดงกันมาอันนี้ก็ตายทั้งเป็นเเหมือนกันเจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนเจอผูงเจอใครก็ไม่รู้จักลนะ มันเป็นเรื่องของจิตใจที่มีอารมณ์มาครอบงำกันที่จะเป็นปกติซะต่อมาก็คือตายก่อนตายภาวะของตายก่อนตายเนะี่ยมันเป็นภาวะของนิพานก่อนที่จะตายจริงๆเราเรรู้แล้วว่าภาวะตายก่อนตายรวปนามขันหะที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะั่นเองมันมีก็มันอยู่ก็เราได้รู้จักกันเลยภาวะของความตายที่มันมีอยู่จริงๆกับเราทุกๆขณะหรือว่า ก่อนที่ยาดินสู่ดินน้าสู่น้ามลมสู่ลมไฟสู่ไฟแล้วคืนสู่ธรรมชาติี่เหลือก็คือเนี่ยเหมือนคุณอูวนเนี่ยความดีความงามหรือให้ได้เก่าขานกันต่อไป